ว่ากันว่าพระสงฆ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเกจิ 248 กว่าๆ2484 โดยประมาณนะครับแล้ว วัตถุมงคลของท่านเนี่ยมีคนเสาะหากันเยอะนะครับมีอภินิหันเป็นที่ยกย่องเป็น 200 กว่าปีนะครับสร้างสร้าง นะครับประวัติของท่านโดยคร่าวๆนะครับเอ่ออย่างที่บอกท่านเกิด 2429 วันพฤหัสบดี อิ่มนะครับพี่น้องร่วม 5 คนชาย 3 หญิง 2 นะครับหลวงพ่อมุมตอน ร่วมกิจของสงฆ์บ่อยๆไม่ว่าจะพาไปเข้าไป เด็กชายมุมเนี่ยอยากเป็นพระสนใจเรื่องนี้นักก็เลยประมาณเนี้ยนะครับ 2 4 จนอายุ 12 นะครับหลวงพ่อก็บวชตอนนั้นหลวงพ่อ คล่องเลยเกินกว่าเด็กรุ่นราวคราวเดียวขยัน 20 ก็ๆสัก 24 49 นะครับ หลวงพ่อหมุ่มอินทปัญโญนะแล้วก็ทุดงเอ่อบวช ก็เป็นครูอาจารย์องค์แรกนะครับหลวงพ่อปริมบอกเนี้ย เลื้อยไปปราจีนบุรีอีสานใต้ไงลงมาก็ปราจีนนะเปาะไปปราจีนไปฝากตัวเป็นศิษย์พระอุปัชฌาย์โทวัดโคกมอนนะครับเดี๋ยวท่านไปเมือง อาจารย์พระสงฆ์ชาวเขมรที่นู่น 2 พี่น้องนะเอ่อเป็นเทือกเขาดงพญาไฟหรือว่า แกอาถรรพ์แยกคุณไส้ต่างๆหลวงพ่อมุมท่านก็ไปไปเรียนไปศึกษา ว่ากันว่าท่านไปเวียงจันเนี่ยท่านไปจะไปฝากตัวเป็นก็ตามจนพบแล้วก็ฝากตัวเป็นๆก่อนที่ วัดประสาทเยอะนะครับวัดปฏิบัติของท่านเนี่ยอยู่วัดโหราศาสตร์รวมถึง พญาหูขันว่ากันว่าได้มาจากใต้ฐานพระพุทธรูปในเมืองพิษณุโลกนะครับคาดว่า 2464 นะครับหลวงพ่อมุม เจริญซะตรงไหนล่ะแล้วก็อยู่ท่าศรีสเกตน่ะนะฮะจนกระทั่งหลวงพ่อปิรมพระอุปัชฌาย์ของท่านเนี่ยครู 22 อายุได้ 93 ปี 73 พรรษาแม้มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นวันที่ท่านละสังขารเนี่ยก็ยังมีอภินิหารมี เรื่องเรื่องของความเข้มขลังความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อมุมเนี่ยท่านมีวัตถุมงคลอยู่รุ่นนึงปี 1916 ในเหรียญวัตถุมงคลของท่านไม่มีภาษาไทยอยู่เลยเพราะว่าเหรียญนี้เนี่ยสร้างปี 1916 เนี่ย ว่ากันว่าปลูกเสกปุ๊บยิงเลยทดลองยิงกันเลยการการลองพระไม่ดีนะคงฟังแต่อันสมัยก่อน แล้วเจ๋งอ่ะกลับมาก็เลยศรัทธาแล้วก็สร้างเหรียญปาป้ามุมปียิงเลยยิงไม่ออกว่ากันว่าอย่างนั้นนะฮะฝรั่งศรัทธามาก ที่พิเศษก็คือพิเศษก็คือวัตถุมงคลหลวงพ่อมุมเนี่ยคือวัตถุมงคลของหลวงปู่หลวงพ่อทุกที่เนี่ยก็มีข้อห้ามพื้น 2 ข้างมือเราเนี่ยห้ามเอามือกอบน้ําใน 2 ข้อนะครับเอ่อส่วนเรื่องประสบการณ์อ่ะมาฟังๆก็อาจที่ ที่ไม่ได้มีการบันทึกไว้ลูฟิตม้าก็แจกปี 07 เป็นเหรียญรุ่นแรกของปี 17 เหรียญเค้าเรียกเหรียญนักกล้ามใน มีครบทุกมุมเลยอย่างเช่นครบทุกมุมเลยอย่างเช่นมีลูกศิษย์คนนึงลูกศิษย์ของของของหลวงพ่อมงคลก็ เพื่อนก็ขี่ไปปรากฏว่าเสียหลักนะฮะเสียหลักไปชนกับกองหินกองนิ่งอ่ะ ชาวบ้านแถวนั้นเห็นก็กลู่เข้ามาช่วยเสร็จแน่ๆไอ้ส่วน 2 คนเนี่ยคนขี่ เอ่อชาวตัวก็บอกว่าอาจจะเป็นปฏิหาริย์หรืออาจจะเป็นเรื่อง เรื่องเรื่องนี้มันก็เกิดลืมสนุกลืมก็เอาน้ําในในในหนองน้ํา เหลือแต่หายหมดเลยเปล่าหลุดไปทุกองค์ได้ยังอ่าเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องแปลก อยู่กันนะปุ๊บหายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างหลวงพ่ออี๋อย่างเงี้ย ไปกับเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนคนนึงน่ะมีศักดิ์เป็นหลานหลวงพ่อหมุมไปจะไปขอตะกรุดให้หลวง <c oughs> ท่านก็ทําตรากรให้เดี๋ยวนั้นทําเสร็จแล้วก็ส่งมอบให้แล้วก็บอกว่าเอาไปลองดูนะฮะแปลกมั้ยคือท่านรู้อยู่แล้วว่าใครจะมาหาท่านก็รอนั่งรอนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อมีกิจ <c oughs> หลวงพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนมี 2 คนสงฐานอุสาหมาลําบากปรากฏ 2 คนนี้ก็แบบจูงจักรยานมาเถอะกันมาเชียวมาถึงวัดจนได้นะฮะเหมือนอย่างที่หลวงพ่อบอกว่ารอก่อนรอก่อนนะฮะเป็นไงนะรู้ล่วงหน้าหรือจะเป็นเรื่องประสบการณ์เหนียวอันนี้ฟังแล้วจะเชื่อฟังแล้วไม่เชื่อก็ก็ไม่เป็นไรแต่ถือว่า ตกทอดกันมานะครับมีลูกศิษย์อีกท่าน แกบอกว่าเพื่อนคนเนี้ยลักษณะมันพิเศษทหารรับจ้างคนเนี้ยอะไรนะแต่ว่ามันพิเศษตรงที่ผิวเนี่ยมันดํามันต้องต้อง พวกเนี้ยผมว่าทุกคนน่ะมีครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือส่วนตัวอยู่ละลูกก็บอกว่าไอ้ตาคนนี้ก็ๆครั้งนึงเนี่ยลูกศิษย์หลวง ไอ้ไอ้เจ้าผิวดำคนเนี้ยลุกขึ้นมานะฮะอ่ะลุกขึ้นมานะฮะพวกลูก RPG วิ่งเข้ามา ปะทะกับตัวเพื่อนเค้าอ่ะปะทะตัวเพื่อนอีกอีกดำเงาเนี่ยอ่ะชัวร์คือขาด 2 ท่อน ลูกกระปะตูดยิงต่อนะฮะแต่หลังจากการปะทะสิ้นเสียงปืนสงบเข้าโรง RPG เนี่ยมันหงายท้องกระเด็นนะคือนึกแต่ เลือดออกหูก็ค้นใบค้นมาในตัวคุยกันรูตาออกจมูกอะไรอย่างเงี้ยคือโอ้โหโดนปะทะขนาด อีกท่านนึงเหมือนกันแล้วประสบการณ์ครั้งนั้นก็เลยโอ้โหจําแม่งตัวแกเองเนี่ยตัวคนเล่าเนี่ยตอน RPG เนี่ยมีเหรียญนะฮะมีสุดสุดๆอ่ะ อ่าลูกศิษย์ถ่ายทอดมาเหมือนเดิมนะฮะเล่าให้ฟังมันมีโจรคนนึงคุณ ก็ถูกเก็บถูกสั่งเก็บปรากฏว่าเขานะฮะผมไม่บอกว่าหญิงสามนัดนักคุณฟังแคะแคะแคะกระสุนเฮ้ยมีมีอะไร มันก็นั่งนิ่งเงียบนิ่งไม่บุกไม่บอกไม่พูดอะไรๆจากปากออกมา น่ะจริงๆแล้วดูแล้วก็เอ้ยไปเดินไปไปกลับตัวกลับใจซะสุดท้าย อภินิหารประสบการณ์มากเครื่องของหลวงพ่อหมูมวัดบาสาเยอะอ่ะปิดท้ายเรื่องที่อาพาธแล้วท่านกําลังสังขารนะปรากฏเกิดเรื่องแปลกขึ้นกับลูกศิษย์ทุกคนนะฮะเกิดขึ้นกับ มีลมพายุลมพายุฝนตกฟ้าร้องกันโชกแรงระยะหนึ่งแล้ว เป็นเรื่องน่าแปลกไกลข้ามจังหวัดก็มีเรื่องแบบ 3-5 ที่ก็